จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่25เมษายนพุทธศักราช2556เป็นวันพระวันธรรมวัวนาวันฝังธรรม วันที่สาธุชนพุทธระบายศัว์จะได้มาตักตวงประโยชน์อนิสงส์ที่เกิดจากการได้ฟังเทพฟังธรรมที่พระพุทธองค์สรงกล่าวว่าการเลนธรรมสวราคเอตัมมังกลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง พอจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วถ้าฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น 3. จะกำจัดความสงสัยให้หมดไปได้ 4. ทํทำให้มีความเห็นที่ถูกต้อง ถ้าทำให้จิตใจผ่งใสสงบ ม, มีความสุขนี่คืออลิสสงประการด้วยกันที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตจิตใจเพราะไม่มีอะไรจะเป็นมงคลเท่ากับความสุขใจความสุขใจเป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่จะเกิดจากการได้ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมแล้วนำเอาไปปฏิบัตินงที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันมาท่านจึงได้นำเอาคำสอนเอาความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา สิ่งที่พวกเรามาฟังจึงไม่ค่อยจึงไม่ค่อยได้ยินได้ฟังหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเช่น ส, นสอนเรื่องไตรลักษณ์อนิจจทุกขังอนัตตาเรื่องอนิจจไม่ค่อยมีใครพูดถึงไม่มีใครค่อยสอนกันเรื่องทุกขงังไม่มีใครพูดกันสอนกันเรื่องอนัตตาไม่มีตัวตน ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีใครพูดไม่มีใครรู้กันต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปถึงจะได้รู้ความจริงอันนี้เพราะการรู้ความจริงนี้จะทำให้เราสามารถดับความหลงดับความมืดบอดภายในใจของเราได้เพราะความมืดบอดนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้เรายติด ทำเหตุให้เราเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันนั้นทุกข์เพราะความหลงทุกข์เพราะความอยากไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าไม่พอมีไม่พอกินเรามีพอมีกินกันมีเหลือเฟือมีมากเกินกว่าที่เราจำเป็นจะต้องมีกัน ดังนั้นถ้าเราอยากจะดับความทุกข์เราต้องมาดับความหลงดับความอยากการจะดับ ả, ความอยากก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมดับความหลงต้องฟังเทศฟังธรรมเพราะเมื่อฟังธรรมแล้วเราจะได้รู้ความจริงเราก็จะหายหลงพอหายหลงแล้วเราก็จะไม่อยากเช่นพระพุทเจ้าทรงสอนว่าร่างกายของเหล่านี้ ของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนที่อยู่อาศัยของเราชั่วคราวเราอาศัยร่างกายเป็นที่พึ่งที่หาความสุขให้กับเราเช่นเราหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพเราก็ต้องมีร่างกายมีตาหูมีจมูกมีลิ้นถึงจะหาความสุขได้แต่เราลืมไปว่าความสุขของเราที่เราได้รับจากทางร่างกายผ่านทางร่างกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวเพราะร่างกายเป็นอริจารณนี้เองคือไม่ถาวร ไม่เที่ยงแท้ต้องมีการเกิดมีการแกร่มีการเจ็บและมีการตายไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราได้มาจากพ่อจากแม่เราเป็นอะไรเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ไม่มีรูปไม่มีร่างเราจึงต้องมีร่างกาย เพราะว่าเรายังมีความหลงอยู่ภายในใจอยู่มีความอยากอยู่ภายในใจอยู่หลงคิดว่าความสุขนั้นอยู่ที่รูปเสียงกิริลดโพธภิภพในการที่จะได้เสพ ร, รูปเสียงกิรลดโพธภิภพเราก็ต้องมีร่างกายพอเราได้ร่างกายนี้มา เราก็หลงไปยึดติดกับร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็เลยเกิดความอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้อยู่กับเราไปนานพอเราเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจ เพราะว่าเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปกลัวเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปนี้ เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปด้วยเราไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราปล่อยวางร่างกายได้อย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากเพราะความยึดติดความอยากให้ร่างกายอยู่กับเราไปนานานๆไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายนี้ เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าอย่างไรก็ตามจะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายไปอย่างแน่นอนแต่ผู้ที่ไม่ยึดไม่อยากนั้นก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายผู้ที่ยึดผู้ที่อยากก็จะทุกข์กับร่างกายนี่คือความแตกต่างของใจ ที่รู้และใจที่ไม่รู้ใจที่รู้แล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดไม่อยากใจที่ไม่รู้ก็ยังยึดยังติดอยู่ถ้ายังยึดยังติดอยู่ก็ยังต้องทุกอยู่ถ้าไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกนี่แหละคือคำสอนที่พระเจ้าทรงตัดสรู้ความจริงที่พระเจ้าทรงตัดทรงตัดสรุ แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราทั้งหลายพอเรารู้แล้วเราจะได้เปลี่ยนใจอย่าไปรักอย่าไปหลงอย่าไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นเหมือนกับเวลาที่เราไปคลอดลูกที่โรงพยาบาล แล้วพยาบาลเขาสลับเอาเด็กอีกคนหนึ่งมาให้เราเราไม่รู้เราก็หลงคิดว่าเป็นลูกของเราแต่พอสักห้าปีสิปีโรงพยาบาลเข้าไปคบความจริงเขา้าเขาก็จะมาบอกเราว่าเด็กคนนี้ที่คนคิดว่าเป็นลูกของคุณนี้เขาไม่ได้เป็นลูกของคุณหรอกพยาบาลเขาสลับกัน ลูกของคุณคือเด็กคนนี้อยู่บ้านนี้นี่เอาลูกเอาลูกแท้ของคุณมาให้คุณแล้วคุณจะเปลี่ยนใจได้หรือไม่อันนี้แหละเป็นเรื่องของใจของเราซึ่งมักจะยึดติดกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราพอมีคนมาบอกว่าไม่เป็นของเราเราก็ยังทำใจไม่ได้เรายัง ปล่อยไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีกำลังสู้กับความยึดติดกับความอยากนี่เองสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คือสร้างกำลังให้แก่ใจถ้าใจมีกำลังแล้วใจก็จะปล่อยได้ยอมเปลี่ยนเด็กได้ยอมเอาเด็กที่ไม่ใช่เป็นลูกของเราคืนเขาไปแล้วก็เอาเด็กที่เป็นลูกของเรากลับคืนมา เครื่องมือที่จะใช้ในการทําให้ใจของเรามีกําลังที่จะตัดที่จะปล่อยนี้ก็คือสติสมาธิและปัญญาถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะปล่อยได้เราจะไม่ยึดติดกับร่างกายของเราตอนนี้เราได้ยินได้ฟังแล้วว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เรายังปล่อยไม่ได้เรายังรับความจริงนี้ไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังเราจึงต้องสร้างกำลังขึ้นมาด้วยการปฏิบัติด้วยการเจริญสติเพราะถ้าเรามีสติก็จะทำให้เรามีสมาธิได้ แล้วเมื่อเรามีสมาธิก็จะทำให้เราสร้างปัญญาขึ้นมาไดา้พอเรามีปัญญาเห็นชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราก็จะปล่อยได้อย่างสบายเพราะว่าเหมือนเหมือนกับเราเห็นร่างกายของเรานี่เหมือนกับเรามองคนอื่นเห็นร่างกายของคนอื่น เหมือนกับเราเห็นร่างกายของเรานี้เราก็จะไม่เดือดร้อนกับอะไรที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเพราะเราไม่เดือดร้อนกับเวลาที่ร่างกายของคนอื่นเป็นอะไรไปนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามสร้างให้เกิดขึ้นคือความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เห็นว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นว่าถ้าเรายังยึดติดกับร่างกายยังอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายเราก็จะทุกข์เราจะไม่สบายใจดังนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติกันสร้างเครื่องมือกันขึ้นมาก็คือสร้างสติขึ้นมาก่อน สตินี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับการหัดยืนก่อนที่เราจะเดินได้เราต้องยืนให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะวิ่งได้เราต้องเดินให้ได้ก่อนสตินี้ก็เป็นเหมือนการหัดยืนสมาธิก็เป็นเหมือนกับการหัดเดินปัญญานี่ก็เป็นเหมือนกับการหัดวิ่งก่อนที่จะวิ่งได้ก่อนที่จะยืนได้ต้อง ก่อนที่จะเดินได้ต้องยืนให้ได้ก่อนตอนนี้เรายังยืนกันไม่ได้เรายังไม่มีสติอย่างต่อเนื่องคาว่าสติคืออะไรก็คือให้ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวให้อยู่กับร่างกายอยู่กับปัจจุบันเรานี้ใจเราไม่อยู่กับร่างกายใจเราชอบอยู่กับความคิดคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้บางทีเดินไปก็เดินไปเตะข้าวของนี่แสดงว่าไม่ได้อยู่กับร่างกายถ้าใจอยู่กับร่างกายทุกเอริยาบทของการเคลื่อนไหวใจจะรู้ว่าร่างกายกำลับบงเดินไปเตะอะไรหรือไม่พอเห็นอะไรขวางก็จะหลบได้แต่ถ้าเดินไปแล้วคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ เดี๋ยวก็ไปเดินไปเตะสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไปเหยียบสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เพราะไม่มีสติถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถหยุดความคิดได้ทำให้ใจสงบเป็นสมาธิได้ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถมองความจริงได้มองว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา มองว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะการจะมองให้เห็นนี้เราต้องคิดอยู่เรื่อยนั่นเองต้องคิดไปทั้งวันเลยว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้มาจากดินน้ำมนุษยไฟเดี๋ยวก็ต้องไปกลับคืนสู่ดินน้ำมนุษไฟจุดหมายปลายทางของร่างกายนี้ก็คือวัดวาอาราม ก็คือเมนที่เผาร่างกายนี่ร่างกายของคนทุกคนจะต้องไปที่เมนกันไปแปลงสภาพให้กายเป็นที่เท่าแปลงให้เป็นเศษขดูกไปนี่คือร่างกายนี่คือการมองร่างกายต้องมองอย่างต่อเนื่องมองอย่างสม่ำเสมอจนไม่ลืมมองร่างกายของใครก็จะมองอย่างนั้น มองร่างกายของคนนั้นคนนี้ก็จะมองเห็นว่าเดี๋ยวก็ต้องกลายเป็นกลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นเศษกระดูกไปมองร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวต้องแก่เดี๋ยวต้องเจ็บเดี๋ยวต้องกลายเป็นขี้เท่าไปถ้าจะให้มองอย่างนี้ต้องมีจิตที่สงบไม่ไปคิดเรื่องอื่นถ้าชอบคิดเรื่องอื่นก็จะไม่มีโอกาสไม่มีเวลามาคิดเรื่อง เรื่องนี้พอไม่คิดก็เลยไม่เห็นก็เลยลืมก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราร่างกายนี้จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายนี่คือวิธีสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้สอนใจให้คิดแต่เรื่องของร่างกาย คิดถึงสัตรธรรมความจริงของร่างกายอยู่จนกระทั่งไม่หลงไม่ลืมพอไม่ลืมแล้วทีนี้ก็จะไม่หลงไม่หลงก็จะไม่อยากไม่อยากก็จะไม่ทุกข์พอจะแก่แก่ก็แก่พอเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บก็เจ็บมันต้องเจ็บของนี้ไม่มีใครหนีพ้นเวลาจะตายอ้าตายก็ตายมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรา มันจะกลับคืนสู่สภาพเดิมของมันก็ปล่อยให้มันกลับคืนไปเราได้มาจากพ่อจากแม่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องคืนสู่ปัตภีไปสู่คืนสู่ดินน้ำลมไฟไปนี่คือความจริงที่เราสามารถสอนใจให้ไว้เรื่อยๆถ้าสอนบ่อยๆเข้าแล้วเราก็จะไม่สงสัย ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราหรือไม่เป็นตัวเราเราจะไม่สงสัยว่าร่างกายนี้จะแก่หรือไม่แก่จะเจ็บหรือไม่เจ็บจะตายหรือไม่ตายพอเราไม่สงสัยเราก็ไม่หลงเราไม่หลงเราก็ไม่ยึดติดไม่ยึดติดก็จะไม่อยากให้เป็นอย่างอื่นจะไม่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจจะอยู่กับร่างกายนี้อย่างสุขอย่างสบายใจร่างกายแก่ก็สบายใจร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็สบายใจร่างกายตายไปก็สบายใจเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเหมือนเป็นเหมือนคนเลี้ยงร่างกายเหมือนกับเราเลี้ยงสุนัขอย่างนี้ ร่างกายของเรากับสุนัขที่เราเลี้ยงนี่ก็เหมือนกันเลยเราเลี้ยงสุนัขอย่างไรเราก็เลี้ยงร่างกายอย่างนั้นเราให้อาหารกับสุนัขเราก็ให้อาหารกับร่างกายเราให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มแก่สุนัขเราก็ให้กับร่างกายเหมือนกันเวลาสุนัขตายไปเราก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่กวาดกลัว ฉันใดเวลาร่างกายนี้เป็นอะไรไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่หวาดกลัวเพราะเราเห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับสุนัขที่เราเลี้ยงนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการมาฟังเทศฟังธรรมฟังเทศแล้วเราจะได้ยินในเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือถ้าเคยได้ยินแล้วพอได้ยินําเข้าไปอีก ก็จะจดจาได้จะเข้า อ, อกเข้าใจแล้วจะได้นาเอาไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อไปด้วยการนำเอาไปปฏิบัติตอนนี้ถ้าเรายังมองไม่เห็นอย่างตลอดเวลายังคิดไม่ได้ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องไม่ใช่ของไม่ใช่เป็นของเราเราก็ต้องมา จเจริญสติก่อนควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องของร่างกายเช่นคิดว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดไปทั้งวันทําอะไรก็คิดแต่คําว่าแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคิดไปอย่างนี้ใจก็จะเย็นใจก็จะว่างจากความคิดต่างๆเราก็จะสามารถนั่ง สมาธิทำใจให้สงบได้พอใจสงบใจก็จะปล่อยร่างกายทั่วชั่วคราวตอนนั้นร่างกายก็จะหายไปจากความรู้สึกนึกคิดเหลือแต่ผู้รู้อยู่ ต, ตามลำพังผู้รู้ไม่ไมีไม่ได้คิดอะไรเวลานั้นเราจะรู้ความจริงของเราว่านี่แหละคือตัวเราที่แท้จริงคือผู้รู้ ผู้ปล่อยวางร่างกายได้แล้วเพียงแต่ว่ายังปล่อยไม่ได้อย่างถาวรปล่อยได้ชั่วคราปล่อยได้ขณะที่ใจหยุดคิดพอหยุดคิดก็ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายแต่พอออกจากสมาธิมาก็เริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะมาคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราใหม่ตอนนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ อย่าปล่อยให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราอย่าปล่อยให้คิดว่าร่างกายนี้จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราต้องมาเปลี่ยนความคิดใหม่มาคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเรามีสมาธิเราก็จะคิดได้เพราะความอยากที่จะคิดเรื่องอื่นนั้นถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้ แต่ไม่หายเวลาเราเผลอเวลาเราไม่ควบคุมความคิดก็จะคิด ท, ทันทีจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะเริมคิดเรื่องของร่างกายไปแต่ถ้าเรามีสมาธิคอยควบคุมความคิดต่างๆไว้เราก็จะสามารถสั่งให้คิดแต่เรื่องที่จะทำให้เราหายหลงหายอยาก หายทุกข์ได้ก็คือให้คิดอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟถ้าตอนนี้เรายังคิดอย่างนี้ไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิใจยังไม่นิ่งใจยังคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้อยู่ยังคิดอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะไปหาความสุข จากคนนั้นคนนี้หาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่มีแสดงว่าใจเรายังไม่มีสมาธิเราไม่สามารถหยุดความคิดต่างๆเหล่านี้ได้เรายังไม่สามารถสั่งให้มาคิดในเรื่องที่ควรจะคิดได้เราก็ต้องพยายามทำสมาธิบ่อยๆนั่งหลับตาบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆถ้าไม่สงบ ใจยังคิดอยู่ก็แสดงว่าไม่มีสติเราก็ต้องฝึกสติไปก่อนฝึกตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยตื่นขึ้นมาก็บังคับให้ร่างให้ใจเฝ้าดูร่างกายให้ดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินกำลังยืนกาลังเข้าห้องน้ำกำลังล้างหน้าล้างตากาลังแปรงฟันกำลังอาบน้าแต่งเนื้อแต่งตัว ให้เฝ้าดูร่างกายทุกอิเลียมะขของการเคลื่อนไหวถ้าไม่สามารถจัเฝ้าดูได้ยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ให้ใช้การบริกรรมพุโทโธหยุดความคิดไว้ทำอะไรก็พุโทโธพุธโทโธไปอาบน้ำก็พุโทโธไปแปลงฟันก็พุโทโธไปหรือถ้าไม่ชอบพุโทโธจะสวดอิติปิโสก็ได้จะท่องพุทธธรรมสารนังนกฉามิก็ได้ จะทัองอนิจจังทุกขังอนาัตตาก็ได้หรือจะท่องเกิดแก่เจ็บตายก็ได้ขอให้เรามีอะไรกำกับความคิดของเราอย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยแล้วเวลานั่งสมาธิเราจะทำใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วเวลาออกจากสมาธิเราก็สามารถดึงความคิดมาคิดในทางความจริงได้ คิดว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้คิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราพอเราคิดอย่างนี้อยู่บ่อยๆเราก็จะไม่ลืมไม่หลงพอไม่หลงก็จะไม่อยากพอไม่อยากก็จะไม่ทุกข์นี่คือการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์การปฏิบัติของทางพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เจริญในลาภวัสารเสริม ไม่ได้ให้ร่ำรวยขึ้นไม่ให้มีตำแหน่งสูงขึ้นไม่ให้มีสรรเสริญมากขึ้นไม่ให้มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวและเป็นเหตุเป็นสิ่งที่จะทำให้เราต้องทุกข์เพราะถ้าเรามีเงินทองมากๆเราก็จะหวงจะห่วงจะเสียดาย จะเสียใจเวลาที่เราสูญเสียเงินทองไปสู้ไม่มีดีกว่า <Yeah. S 1> ถ้ามีเงินทองก็จะไม่มีเวลามาวัดไม่มีเวลามาฟังเทศฟังธรรมไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมเพราะจะมัวแต่วุ่นวายกับการรักษาเงินรักษาทองมัวแต่วุ่นวายกับการหาเงินหาทองวุ่นวายกับการใช้เงินใช้ทอง คนที่เป็นเศรษฐีนี่จริงไม่มีเวลาเข้าวัดกันเพราะเวลาเขาไม่ได้เข้าวัดเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพอเขาไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเขาก็จะไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเขาก็จะมีความหลงความหลงก็จะทำให้เขาอยากรวยมากขึ้นอยากรวยไปนา น, านๆก็จะทาให้เขาไม่มีความสุขใจ จะมีแต่ความทุกข์ใจทั้งๆ ท, ท, ที่มีสมบัติมีเงินทองกินไปอีกสิบชากร้อยชาติก็กินไม่หมดแต่เขาจะไม่มีความสุขจากการมีเงินทองเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นต้องเกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา mm hmm. เมื่อไม่มีอะไรเป็นของเราเราจะได้ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเก็บเอาไว้เ mm hmm. พราะเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็ว เราก็ต้องจากเขาไปหรือไม่เช่นนั้นเขาก็ต้องจากเราไปนี่แล้วคนจนนี่ถึงจะมีบุญมากกว่าคนรวยอย่าคิดว่ารวยแล้วรวยแล้วจะเป็นคนมีบุญนอกจากคนรวยที่ชอบเข้าวัดท่งนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นคนมีบุญคนรวยบางคนนี่เขาทำบุญอย่างมาหาศาลทาทีลาเป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้าน อันนี้ถือว่าเขามีบุญมาก่อนเขาเคยได้ยินได้ฟังธรรมาก่อนเขารู้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเขาแต่พวกคนรวยที่ไม่ยอมเข้าวัดไม่ยอมทําบุญนี้แสดงว่าไม่เคยมีบุญมาก่อนไม่รู้ความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราสิ่งที่เรามีอยู่นี้สักวันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียหมดไป แทนที่จะมีความสุขกับการมีสมบัติมีเงินทองกับต้องมีความทุกข์กับความหวงความความห่วงกับความเสียดายกับความเสียใจนี่แหละจึงอยาาไปอยากรวยอยาไปอยากมีเงินมีทองขอให้เรามีเวลามาวัดมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมดีกว่าเพราะจะได้รับประโยชน์ที่แท้จริง จะได้รับความสุขที่แท้จริงจะได้กําจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามยึดมั่นกับการปฏิบตัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เข้าวัดเป็นประจำเพื่อจะได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก็คือจะได้รับอานิสงส์ห้าประการ จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ไดีได้ฟังมาก่อนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปสจะทำให้ไม่มีความสงสัยในเรื่องของธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องอนัตตาว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราสจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกอย่างจะต้องจบ เกิดแล้วก็ต้องตายไม่มีอะไรเป็นของเราสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้บ่อยวางหน้ใจของเราก็จะสงบมีความสุขอยู่อย่างมีความสุขตายอย่างมีความสุขตายแล้วก็ไม่ได้สูญหายไปไหนตายแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ตายแล้วก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอาหารหันตสาวลกทั้งหลาย นี่คืออนิสงส์ที่เป็นมงคลอย่างยิ่งจึงขอฝากให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทัศน์ศรีาราตนาไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็กันในวันนี้